รรมัชาดกแผ่นที่7ลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่7กันยายน2554มีชื่อเรื่องว่าผมงอกออกปวด วันนี้พุทธที่เจ็ดกันยายนพุทธศักราช2554วันนี้พระสงฆ์ลงมาฉัน38รูปงดฉัน10รูปวันนี้ทุกคนมันมีทุกข์อยู่ในใจทุกข์อยู่ในกายทุกข์อยู่ในใจพวกเราต้องแ ส, สวงหาหาทางพ้นทุกข์เหมือนกับเราอยู่ตามธรรมดาเราไม่มีเงินใช้ เราก็ทุกข์แต่เราก็ต้องดิ้นดลนแ ส, สวงหาทรัพย์หาเงินเมื่อได้เงินแล้วอำนวยความสะดวกให้แก่เราเราก็มีความสุขขึ้นบ้างแต่ถ้าใครเป็นเศรษฐีคนนั้นก็มีความสุขตามอัตภาพเพราะว่าเราต้องอาศัยปัจจัยสี่ในการเลี้ยงชีพใจของเราก็เช่นเดียวกัน ถ้าคำว่าพวกเราไม่โสแสวงหาไม่ดิ้นรนไม่โสเสวงหาทางพ้นทุกพวกเราก็จะจมปลักอยู่กับกิเลสราคะโทสะโมหะไม่มีที่สิ้นสุดแต่เมื่อเราโสเสวงหาทางก็ต้องเจอทางทางนี่ที่พระพุทธเจ้าท่านวางเอาไว้พระในครั้งพุทธการท่านสรรเสรสิญพระพุทธเจ้า พระสงฆ์ท่านรวงกลุ่มกันสนทนาการคล้ายๆว่ามีการพร้อมเพียงสัมคีมีการประชุมกันเสร็จแล้วพระสงฆ์ก็พูดขึ้นมาอู้น่าสนเสริญพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านออกปวดท่านเสียสละบททุกอย่างเวียงวังบริษัทบริวารความมั่งคลั่งทางโลกความสุขทางโลกท่านตัดขาดท่านเสียสละออกหมด ไปอยู่ในป่าตามลําพังจนได้ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณมองดูแลเป็นเรื่องอัศจรรย์อย่างมากเป็นเรื่องอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งที่จะทําได้อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะทําได้ง่ายๆเราพิจารณาดูสิท่านไม่ได้มีความทุกข์ร้อนอะไรในราชสมบัติของพระองค์ แต่พระ อ, องค์ก็เสียสละทั้งหมดออกบวชบําบเพ็ญหาช่องทางที่จะไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัะสงสารพระ อ, องค์ก็สำเร็จสมความมุ่งมาตปรารถนาได้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณหน้าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งอันนี้คือพระสงฆ์สนทนากันในธรรมสภาในที่ประชุมใหญ่พระพุทธ อ, องค์ได้เสด็จมา ในที่ประชุมใหญ่นั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าการที่เราออกบวชในครั้งนี้ก็เป็นครั้งหนึ่งที่หาได้ยากแต่ในครั้งก่อนเราเป็นบา ร, รมีของเรายังอ่อนอยู่เราก็ได้ออกบวชครั้งนั้นก็เป็นครั้งที่ยิ่งใหญ่หาได้ยากแต่ครั้งนี้บา ร, รมีของเราแก่กล้าแล้วเราจะได้ แต่สรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณแต่คราวนั้นยังเสวยเป็นโพธิสัตว์อยู่เราก็ได้เสียสละออกบวชเหมือนกันด้วยความสลด ส, สังเวชใจแต่ในครั้งนี้เราเห็นคนแก่ค น, คนเจ็บคนตายแล้วก็เห็นสมณะเราจึงเห็นเราสลดสังเวชใจเห็นคนแก่เห็นคนเจ็บเห็นคนตายต่อหน้าเราก็เลยสลดสังเวชใจตัดสินพไทย ออกทรงประหนดแต่ในครั้งก่อนเราเห็นแต่เกษาหอกบนศรีรษะของเราเราก็สระราชสมบัติพระสงฆ์ทั้งหลายก็เห็นว่าพระพุทธองค์แย้มให้ฟังว่าพระพุทธองค์เห็นเพียงเกษาคือเส้นผมหอกเพียงเส้นเดียวก็สระราชสมบัติพระสงฆ์ก็กราบทูลถามว่าสมัยไหนพระเจ้าข้าที่พระองค์ ในสารราชสมบัติออกบวทในครั้งนั้นพระพุทธองค์บอกว่าตรัสว่าบอกท่านทั้งหลายตั้งใจฟังคือสมัยนั้นเราสวยชาติเป็นพระเจ้าแผ่นดินชื่อมขวานมหาราชจยนกงมิทธิลากลงมิทธิลามหานครสมัยนั้นคนอายุยืนเป็นแสนปี อันนี้ท่านพูดในพระไตรปิฎกนะแต่พวกเราพูดสมัยนี้เราคงจะไม่เชื่อว่าคนจะอายุยืนถึงขนาดนั้นแต่เรามาเปรียบเทียบกับชีวิตของสรรวสัตว์ทั้งหลายที่เราเห็นเห็นนะหมูหมากาไก่พวกแมวพวกวัวควายเนี่ยมันอายุก็ไม่เหมือนกันเหมือนกันนะอย่างช้างเนี่ยอายุยืนเขาว่าเต่าอายุยืนมากแต่สำหรับหมาเนี่ยเพียงสิบเดสบปีก็ หมดอายุขัยแล้วแต่ชนีสมชายของหลวงพ่อเนี่ยโอ้นานลเลยท่าเออ ม, มันยังร้องมันยังหอย ห, ยห้ยโหนจนทยานจนบนยอดไม้ได้อยู่หลวงพ่อดูๆแล้วมันเป็นสิ บ, ส, บ, ส, บ, ส, บสิบปีเหมือนกันนะนี่แหละแต่ละสัตว์นี่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันอีกท่านว่าสมัยนั้นท่านมีอายุยืนถึงเป็ น, เ ป, นเป็นแสนปี แต่เราครองราชโดยธรรมมีความสุขแต่วันหนึ่งเรามองดูหน้าในกระจกเราเห็นเกสาของเรางอกเส้นหนึ่งเราก็เลยสั่งให้นายกันบกในช่างกันบกนะคือในช่างตัดผมในช่างตัดผมประจำพระราชาพระราชาต้องมีในช่างกันบกที่ไว้เนื้อเชื่อใจพอใจของข่ม เราจะไปใช้คนซุมสี่ซุม5ไม่ได้อาจจะเป็นมือที่สองที่สา ม, มาตัดคอปาดคอมีดโคนตัดคอก็ไปได้ไง่ายๆเพราะนั้นต้องหาคนที่คนไว้เนื้อเชื่อใจที่เป็นช่างกันบกท่านก็เห็นเกษาท่านเององอกแนละ้วท่านก็เรียกในช่างการบกมาในช่างกันบกเขมาถอนเกษาเส้นนั้นออกมาให้พระองค์ทอดพระเนตรเนี่ย สงส่ฝ่ามือโอ้เราในแก่แล้วไม่รู้ว่อันนี้บอกถึงความแก่แล้วถ้าคนไม่แก่ผมผมจะไม่หงอกแต่นี้เราแก่แล้ว mm hmm. จากนั้นพระองค์บอกว่าอืมเราคงจะสละ ร, ราช ส, สมบัติเราไม่ควรจะหมกหมมวุ่นวายอยู่กับชีวิตคารวาัตเพราะชีวิตของคารวัตไม่รู้ว่า วันไหนนี่บง่งบงบอกถึงความแก่แล้วไม่รู้ความตายอีกจะมาถึงอีกวันข้างหน้าไม่รู้จะเป็นวันไหนเพราะฉะนั้นเราควรจะออกไปบวชเป็นฤาษีจากนั้นท่านก็ให้รางวันที่นายกันบกในช่างกันบกถอนเกษาให้ท่านดูตั้งให้รางวันอย่างงามให้บ้านสวยให้เก็บภาษีกินหน้าท่านก็ให้รางวัน จากนั้นพระ อ, องค์ก็ได้มอบราชสมบัติให้แก่ลูกชายคนโตเออลูกพะพอจะได้ออกบวชแล้วนะก็มอบลูกมอบพระราชสมบัติให้ลูกชายคนโตชวนพระ อ, องค์ก็เป็นบวชเป็นฤาษีไปอยู่ในอุทยานาไปอยู่ในอุทยานดูในความสงบของพระ อ, องค์พระ อ, องค์ก็บำเพ็ญเรื่องศีลสมาธิบเาเพ็ญฌาน จนได้ฌานสมาบัติจะว่ามีอิทธิฤทธิ์หอกเหินเดินฟ้าได้ลักษณะอย่างงั้นน่ะท่านไปพรมปังเพลินอยู่ในในอุทยานของท่านจากนั้นท่านก็สวรรคตในเพศฤาษีจากนั้นก็ท่านก็ขึ้นไปสู่พรหมโลกพระพุทธองค์ตรัสสอนว่าน่ะเรื่องในนิทานหรลูกาชานดกในเรื่องนี้ พระ อ, องค์ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพียงเห็นเกษางอกเพ่งเช่นเช่นเดียวก็หันเหนไปสู่ธรรมะแล้วเพราะนั้นที่พระ อ, อ, องค์เป็นตัวอย่างอย่างนี้ให้แก่พวกเราพวกเราท่านทั้งหลายถ้าหากว่าเราตั้งอยู่ในความประมาทจนเกินไปก็ไม่น่าจะถูกเหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ ท่านเป็นพระเจ้าแผ่นดินท่านเห็นเพียงเกียร์สาออกเส้นเดียวท่านก็ออกไปบวชแต่พวกเราท่านทั้งหลายผมงอกจะเต็มหัวอยู่แล้วก็ยังไม่รู้จักไม่หันหมุนตัวเข้าหาสู่ศีลสู่ธรรมพวกเราว่าในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านว่าจัดว่าอยู่ตั้งอยู่ในความประมาทอย่างมากแล้วก็เพ้อเ้อยังหาสีมาย้อมอีก หลอกตอนเองไปอีกแต่พระพุทธเจ้าตำนองครองธรรมหรือประเพณีของพระโพธิสัตว์พุทธเจ้าท่านเห็นเพียงแค่นั้นท่านก็สรดสังเวชใจว่านี่บ่งบอกถึงความแก่แล้วต่อไปก็คงจะถึงจุดจบของชีวิตคือความตายเราไม่ควรจะมุมกมุ่นในโลกในยศถาบรรดาศักดิใก์ในกามคุณห้ารูปเสียงกินรสสัมผัส ต่างๆเราควรจะเสียสละได้แล้วเพราะเราอยู่จุดนี้กันมานานแล้วเราควรจะเสียสละเข้าสู่คุณงามความดีเข้าสู่ศีลเข้าสู่ธรรมเข้าสู่ศีลสมาธิปัญญานี่พระพุทธเจ้าท่านท่านมองถึงขนาดนั้นนะอันนี้คือตัวอย่างเป็นตัวอย่างถึงเราพวกเราท่านทัน้งหลายจะทําถึงขนาดนั้นไม่ได้แต่พวกเราก็ไม่ควรจก ลุ่มหลงจนเกินไปควรจะมองแนวความคิดที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บอกบอกเอาไว้เป็นความตรัสบอกกล่าวโดยความไม่ประมาทในชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะอยู่จุดนี้หรือว่าการเป็นอยู่อย่างนี้ชั่วฟ้าดินสลายไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งเราจะต้องขยับเคลื่อน จากการเป็นอยู่ของเราอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเป็นตัวอย่างมามากต่อมากทั้งญาติใกล้ชิดพี่น้องปู่ย่าตายายตลอดถึงญาติพิษสหายตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ร่วมโลกก็เห็นเห็นกันอยู่เกิดแก่เจ็บตายเรานี่เป็นใครเราจะเป็นคนวิเศษจะไม่ใช่เหมือนคนเหล่านั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้ก็อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายถามตนเองจากนั้นก็ หมุนตัวเข้าสู่ศีลธรรมมูศีลธรรมก็ไม่ยากศีลธรรมมาอยู่ที่จิตใจบอกใจตนเองว่าใจเอ้ยใจอย่าไปลุ่มหลงมัวเมาอะไรมากมายนักหนาน ะ, ะชีวิตของพวกเราเดินมาถึงจุดนี้แล้วอะไรที่เป็นสาระของชีวิตชีวิตของเราอันไหนที่เป็นสาระที่พวกเราจะยึดตัวของเราจะยึดเป็นแก่นสารจริงๆมีไหม ยึดร่างกายร่างกายก็แก่เจ็บตายในที่สุดยึดสมบัติสมบัตินั้นเมื่อตายไปแล้วเราก็เอาไปด้วยไม่ได้ยึดสามีภรรยาลูกหลานก็เท่านั้นแต่ยึดหมอหมาช่วยดูแลรักษาก็ได้ช่วงระยะาหนึ่งหมอเองก็ถึงจุดจบเหมือนกันอะไรคือสาระของชีวิตหัอใจพระพุทธเจ้าท่านไม่พึ่งใคร นในพึ่งตนเองอัตหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนโกหินาโถปรโรชยาคนอื่นใครเลยจะเป็นที่พึ่งเราได้นอกจากตัวของเราจากนั้นท่านก็ให้ดูเข้ามาหาตัวเองเราจะพึ่งตนเองได้อย่างไรเราต้องศึกษาศึกษาธรรมะทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านได้ตัดสรุ้อะไรท่านทําอย่างไรเราต้องศึกษา ศึกษาแนวทางปฏิบัติตามแนวแถวของพุท ธ, ธะพระพุทธเจ้าจะว่าช่องทางไปมีตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดเราไปพิสูจน์แล้วเราไปค้นคว้าศึกษาดูแล้วตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดเกิดอีกเพราะนั้นพระองค์ก็ได้นั่งกัดสมาธิสอนพวกเราได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพน เมื่อ 2,554 ปีให้หลังพระองค์ได้ตัดรู้ที่โครนต้นโพตัดรู้อะไรในวันนั้นพระองค์บอกว่าปุเพนิวาสานุสติยานพอจิตของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วรละลึกชาติหลหลังได้พระธรรมศาสนาได้ยืนยันเลยว่าตายแล้วไม่สูญถ้าตายแล้วสูญจะระลึกชาติหลหลังได้อย่างไรยังปุเพนิวาสานุสติยาน พอถึงเที่ยงคืนจูตูปภาตาญาณสัรวสัตว์ทั้งหลายมาจากที่นี่มาจากที่ไหนมาเกิดที่นี่ออกจากที่นี่แล้วจะไปไหนแต่ละวิญญาณแต่ละดวงแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละรูปหนนามแต่ละสัตติจารย์ออกจากตรงนี้จะไปไหนเหมือนกับเรามันมาเกาะอยู่ที่นี่ปัจจุบันแล้วมันจะกระโดดไปไหนไปกิ่งไม้กิ่งไหนอีกเหมือนกับนกที่มันเกาะชีวิตของเราเหมือนกันเรามาเกาะอยู่จุดนี้ออกจากนี้เราจะไปไหน พระพระุทธองค์รู้หมดว่ามันจะวิญญาณดวงนี้จะไปไหนแจะไปดีหรือจะไปชั่วอีกรู้อีกต่างหากไงพระองค์บอกว่าคนที่จะไปดีนําไมถึงไปดีทําไมคนจึงไปชั่ววิญญาณดวงนี้ทาไมไปชั่วทำไมไปดีทำไมไม่ไปแบบดีด้วยกันทนะั้งหมดใครๆอยากจะอยากจะคนดีพระ อ, องค์ย้อนไปถึงว่ากรรมคือการกระทาถ้าเรากระทากรรมชั่ว กรรมชั่วจะต้องติดตามดวงวิญญาณดวงนั้นไปให้ผลต่อไปภายภาคหน้าเพราะอะไรเพราะเขาทำกรรมชั่วเขาทำกรรมดีกรรมดีก็ติดตามให้ผลไปสู่สุขติไปในทางที่ดีเพราะนั้นพระพุทธองค์ถึงเน้นว่ากรรมชั่วอย่าทำซยเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วนั้นเมื่อทำไปแล้วติดติดตามเราไปสู่ปรกไม่มีที่สิ้นสุดแก่กรรมตัวนี้ เพนั้นอย่าทำนั่นคือตูตูปะปาทยานการจติการเกิดการตายของสรรพสัตว์พระพุทธองค์ก็รู้จากนั้นอาสาวะขยญาณพอจวนสว่างอาสาวะขยะญาญญาณอย่างรู้ว่าใจดวงนี้มาจากไหนออกจากนี้แล้วจะเป็นอย่างไรทําไมจึงเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดอย่างนี้เพราะอะไรพระองค์ก็ค้นคว้าศึกษาดูคนดูแล้วกับ เข้าไขา่ปฏิจจสมุปาทอาวิชชาปัจจญาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปัจญาวิญญาณวิญญาณปัจญานามะรูปังจนถึงโศกปริเทวุทุกขโทมณสุอุปายาตพวกเราร้องให้พิไรรำพันโศกเศร้าโศ ก, กาดูนทุกวันนี้มาจากไหนมาจากตัวอวิชชาคือตัวไม่รู้อวิชชาเป็นต้นเหตุอวิชชาคือความโง่ คือความไม่ฉลาดคือความไม่รู้อวิชชาปัจจยาเป็นปัจจัยเป็นอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารสังขารให้เกิดวิญญาณต่อมาจึงจะให้เกิดภพชาติชรามรณะ เ, เกิดแก่เจ็บตายเศร้าโศกร้องให้พิไรรำพันมาจากตัวอวิชชามันเป็นสายมาจนถึงจุดนี้จากนั้นพระองค์ก็ได้พิจารณาดูว่า สาเหตุที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรท่านก็บอกว่าเพราะกิเลสราคะโทสะโมหะอยู่ในใจดวงนั้นมันใจดวงนั้นมันมีเชื้ออยู่เหมือนกับเม็ดขนุนและเม็ดข้าวนะมันมีเชื้ออยู่ในนั้นจะทํำยังไงจึงจะเอาเชื้อมันออกเชื้อที่จะพาให้เกิดออกได้อย่างไรพระองค์ก็ได้ใช้ตปะธรทำคือศินสมาธิปัญญาศินสมาธิปัญญาคือมักแปะ สัมมาทิฏฐิเนี่ยสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจากรมันโตไอชิววายโมชติส ม, มาธิเนี่แหละคือมรรคแปะมรรคแปดถึงสรุปแล้วก็คือสินส ม, มาธิปัญญาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่จะชำระใจดวงนั้นให้หมดจดจากกิเลสให้กระเทาะเอาเชื้อคือกิเลสออกจากใจให้ได้เพราะโวยตปรธรรมคือสินส ม, มาธิปัญญา อางนั้นจวนสว่างพระองค์ก็ชําระได้จริงๆด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญาชําระใจของพระองคหมดจดจากกิเลสกิเลสก็หลุดออกจากใจพระองค์รู้แจ้งเห็นจริงเกิดความเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากเรื่องกิเลสจากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโป่งในวันเดือนหกเพลนจวนสว่างในวันเดือนหกเพลนนั้นนี่แหละพรพระองค์ ป, ปั่มเพนมีที่ไปที่มาพระพุทธเจ้ารือศาสตราของพวกเราไม่ใช่หลมหลงแรงแรงท่านเป็นมนุษย์เป็นพระมหากษัตริย์เป็นผู้ออกบวชพระสงฆ์ทั้งหลายได้สรรเสริญว่าเป็นผู้ยิ่งหาได้ยากมีความสุขอย่างนั้นแล้วจึงเสียสละถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธองค์ท่านบอกว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราเราก็พร้อมบา ร, รมีเต็มเปี่ยม แต่สมัยโพธิสัตว์เราบำเพ็ญเป็นโพธิสัตว์อยู่อันนั้นน่าอัศจรรย์ขนาดเป็นพระเจ้าแผ่นดินเรานึกได้อย่างไรเห็นศีรษะอผมบนศีษะเพียงเส้นเดียวเงอกเท่านั้นเราจึงเกิดความสลดสังเวชใจบอกว่าเนี่ยมรณะภัยเตือนแล้วชีวิตของเราจะยืนยาวไปสักเท่าไหร่นี่มรณะภัยเตือนนะนะความแก่มาถึงเราแล้วเราจะนอนนิ่งนอนใจเราจะไม่โะกโศงหาทาง สวรรค์ทางนิพพานได้หรอือเนี่ยแหละเราจะได้เสียสารราษฎรสมบัติในครั้งนั้นออกไปบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าทั้งที่เราก็รู้จักเหมือนกันว่าความสุขนั้นคืออะไรแต่เราเห็นว่าเมื่อเราอยู่อย่างนั้นมีแต่นอนคอยวันตายอยู่เท่านั้นเองไม่ได้โสแสวงหาทางแต่เราจึงได้โสแสวงหาทางในครั้งนั้นแต่มาในครั้งนี้เราชีวิตจุดท้ายของเรา เราได้เห็นคนแก่คนเจ็บคนตายและก็เห็นสมณะเป็นหนทางที่จะสู่ทางพ้นทุกข์ได้เราจึงเลยสละราช ส, สมบัติออกไปทรงพรนธดอยู่ในป่าบำเพ็ญถึงหกปีเราจึงได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณชาตินี้เป็นชาติจุดท้ายของเราแล้วเราจะไม่มาเหยียบแผ่นดินอีกแล้วจบแล้วเพราะสิ่งที่ที่จะนำพามาเกิดนั่นคือก oh ิเลสราคะโทสะโมหะ เรากำจัดออกจากใจของเราแล้วใจของเราบริสุทธิ์จากเครื่องจองจำเครื่องพันธนาการทั้งหลายทั้งปวงแล้วเนี่นี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราให้ศึกษาสรุปแล้วก็คืออย่าตั้งอยู่ในความประมาทบัณติตนักปรากท่านเห็นเพียงศีสะเพียงเส้นเดียวหงอกท่านก็ยั ง, ยงเห็นพญาเมตุราชทวงถามแล้วทวงถามทวงชีวิตของเราแล้ว แต่พวกเราท่านทางหลายนึกดูให้ดีก็แล้วกันหลวงพ่ออินหงอกม่ลวกกี่เส้นเหมือนกันนะหลวงพ่อจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาทสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีหลวงพ่อจะทำสิ่งนั้นพูดสิ่งนั้นแนะนำสิ่งนั้นปฏิบัติให้ถูกต้องในสิ่งนั้ น, น, นเพราะว่าเราจะอยู่นานสักเท่าไหร่จากนี้ไปไม่นานสรุปแล้วนะหลับพรอนุโมทนาให้พร